กายความผูกพันใจจะอยู่กับตัวเข้าสู่ภายในเริ่มต้นให้ถูกต้องจะได้ไม่เสียเวลาตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะหลับตาเบาๆพอสบายๆให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาๆพอสบายๆคือหลับยามีบีดตายามเเม้มตาเหมือนปลือๆตาสักนิด ถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วเราหลับตาเบาๆสบายๆกล้ า, ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกรง็งไม่เครียดก็ปล่อยทําใจให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายค่อนคลายไปด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองข้างถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัว เมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะตรงนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปแล้วก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นทำให้ถูกหลักวิชาเสียจะได้เข้าถึงรเร็ว จะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึก ข, ของเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำกันต่อไปยังมีความสุขสนุกกับการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะคลายความผูกพันเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือ ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรามีดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจก ค, คันช่องสองเงาหน้ า, นาบ้างเหมือนน้ำบ้างกรมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายะสิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วเราก็นึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมโฮรนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นทำให้เราไม่เจอความสุขที่แท้จริงกายมันก็ไม่เบาใจก็ไม่เบากายจะคึกตื้อตื้อ ต, ตันๆคลาบแคบ อ, อึดอัดไม่ขยายเพราะฉะนั้นวิธีจะทำให้กายเบาใจเบ า, เบาขยายต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลักมีอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างไรให้ใคลายความผูกพัน เรามาสังเกตดูคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้ใคลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองหรือพูดภาษาปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั้นให้ใคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับมันมากนะักเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบา ขยายก็ไม่ขยายแสงสว่างภายในก็ไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้องลองทบทวนดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะพิจารณาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้หรือพิจารณาข้างนอกเข้ามาหาข้างในก็ได้ข้างในเราก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเล็บฟันนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมูุพังลงไป ไม่ว่าจะซ่อมแซมสร้างเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่สร้างเสริมขึ้นมามันก็ปุกก็พังแปลว่ามันยังไม่ยั่งยืนไม่คงทนล้วนไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาต า, กกาเก่าเครื่องประดับเพชรพลอยก็เหมือนกันล้วนผูกพันนี่เขาเรียกว่าพิจารณาจากข้างในไปข้างนอก มาที่บ้านเราบ้างที่นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องประดับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในตัวเราออกไปมันก็พังบ้านเอ่ยรถเอ่ยทรัพย์สินเงินทองรั้วบ้านเพื่อนบ้านรถหน้าบ้านขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติทั่วโลกจักรวาลต่างๆล้วนผูกพังหมดพระองค์สอนให้ใคราความถูกคันเพราะไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ เอาใจไปบนๆอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่งสารอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์วนๆแล้วก็บดไปชาติหนึ่งเราไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่นอกตัวเราใจไม่อยู่กับเลื้อกับตัวกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โลภไม่โปรกไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนครายในตัวนี่แหละสี่สิบห้าพันษาพระองค์ก็ทรง ตอนตอบยางเรื่องนี้อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ๆ>ก็วนๆกันอย่างนี้พอเรานึกอย่างนี้ไปบ่อยๆก่อ น, นั่ง ท, ทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดล้วนผูกพันแม้แต่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นอะไรก็พังหมดใจจะได้คลายเพราะใจคลายความผูกพันจับภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆ ก็มีสิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างเขาเรียกรูปเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างท่านมารมอะไรต่างๆเหล่านั้นคือเรียกว่าเป็นจากตามอารมณ์พอเราคลายความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นใจก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนเข้าความสว่าง ก, ก็เกิด รูปอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวยขึ้นใจก็จะใสขึ้นไปเรื่อยๆใจใสจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่ใสๆคือเครื่องกลาวจักสิ่งที่เป็นมวลทินเป็นบาป ก, กุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนหลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปสารภาพบาปอะไรกับใครรู้สึกบาปกรรมต่งตางๆถูกถอดออกไปเมื่อใจใส มันหยุดมันนิ่งมันสว่างแล้วก็จะเห็นไปตามลาดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่ ง, ง, งไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจก็เอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนกระทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏขึ้นตรงกลางเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์มันจะเห็นแจ้งขึ้นมาว่าอ๋อ ความี่สุด์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใสๆที่ประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้รวมเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปจะเกิดขึ้นจะไปสราภาพบาปที่ไหนมันก็ไม่หมดไปรำพรึงรำพันให้ใครช่วยเราไม่ได้หรอกนอกจากเพ้อเพอฝันฝันเลื่อนลอยกันไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นจริงในตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองว่ามันบริสุทธ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆเหมือนมะขามหรือเหมือนเงาะที่เรารับประทานเนื้อกับเปลือมันจะไม่ติดกันอันนี้ก็เหมือนกันมันล่อนจากใจไปยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดทำไมนังน่งแล้วตื้อๆตัตตนๆเหมือนจะระคขยกรดานแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือ เราหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้งแต่ไม่มีอะไรใหม่ๆ ม, มาให้ดูทำไมมันนิ่งเฉยๆเหมือนจระเข้กบดานตื้อๆ ต, ตันๆอย่างนั้นนั่นก็เพราะเรามีความตั้งใจมากเกินไปมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากเห็นเขาจะใช้ตอนก่อนนั่งแต่ลานั่งเขาใช้ความหยุดหยุดความอยากความเป็นสมุทยัยเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ แม้อยากจะเห็นธรรมะก็ตามซึ่งจิตก็เป็นปุสสธรรมแต่เจอไปด้วยโมหะคือความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นประสบะการณ์ภายในจึงไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูเพราะเรามีความอยากเข้าไปเจอโดยไม่รู้สึกตัวเพราะรู้ว่าถ้าเห็นธรรมะแล้วดีจะไปนรกไปสวรรค์ก็ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าที่พระองค์ไปรู้ไปเห็นได้ เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะความอยากแท้ๆจึงทำให้แย่อยู่ทุกวันอยากคิดว่าเรานั่งแล้วสูญเปล่าไม่ก้าวหน้าต้องหยุดอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่ๆหรือแม้มีอะไรใหม่เราก็ต้องหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งแล้วสูญเปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้านั่นเราคิดไปเอง ทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความดีสุดจะถูกสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจจะถูกขัดเกลียกรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่ขนดินเข้ามาก่อเป็นจอมปลวกเหมือนเราลดน้ําที่โคนต้นไม้ต้นไม้จเจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตให้ออกว่ามันโตขึ้นวันละเซนหรือสองเซน หรือไม่ถึงเซนแต่เผลอไปเดียวเดียวมันก็จะมีผลให้เราได้ชื่นใจได้ริมรถการทำสภมาทิภาวนาก็เหมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรับสายใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไปอย่าไปคำนึงถึงว่ามันต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีหน้าที่หยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเอง คำให้อเองไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้เกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกไปบ่อยจนจนเป็นวิ ส, สีจนชํานาญตอนนี้เราทำให้เกิดขึ้นได้แต่ในขั้นตอนนี้เราไม่ชนานาญยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาพอนตลอดกาลานานก็ไม่ใช่อย่างนั้น เป็นแต่เพียงเราต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำต่างๆที่เราฟังผ่านๆไปหรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอด จ, จะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไม่ได้เราก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำใจให้เหมือนเด็กๆอินโดเซนไม่คิดอะไร ให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งๆเราอย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกับนิ่งอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสําเร็จเชื่อเถิดนะลูกนะเพราะคํานี้ พระเดชระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคนเทพมุนีสดจันทัสรโผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านกล่าวเอาไว้จึงถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพรมศาสดาว่าสรพนหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ได้หมายถึงหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อน ให้มีปิติสุขกับการนั่งให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทําถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกํามือเราขอเพียงให้นั่งหลับตาทําให้ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบได้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ท, ท, หญที่ไม่ทะยอยแต่ว่าเยือกเย็น ซุกใจเบิกบานใจนีแต่ความรักระหว่างดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงฝึกตรงนี้ให้ได้นะฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใส่ปรับให้ถูกหลักวิชาทบทวนตั้งแต่ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปใกล้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ถ้าหลับตาเป็นนะ หลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่ให้มีความคิดเลยแปลว่าเรากาลังเรียนแบบนักเรียนอบุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอก ที่กำลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทําวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นไปในชั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้ถ้าหยุดเป็นแล้วก็ถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์พ้าหยุดเป็นตัวสําเร็จที่เราจะทําให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้ อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่จะวิชาชีวิตสำคัญมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวประเดี๋ยวประดาแล้วก็พัดคลา ก, กันไปเท่านั้นไม่เราพัดคล้าจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดคล้าจา ก, กเราไปกอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิต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 ฝึกทุกวันทุกอิริยาบถไม่ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้นะฝึกทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทนพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายอีกสั่งใเราก็ทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยจะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปนอกจากคนตายคนไม่ได้ทำคนบ้าเท่านั้นเพราะเขาสูญเสียระบบประสาทการรับรู้คนตายแล้วก็ทาไม่ได้ เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโน้ตหาวมีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจก็มีประสบการณ์ภายในที่รอคอยเราอยู่และเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนรักเรียนรุบาลฝันในฝันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในเปิดเผยให้เราได้รับทราบทั้งครือข่าและการประชิตทุกเพศทุกวยัย ได้ยินได้เห็นจนเจนตาคุ้นหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีพยายามฝึกไปนะในทุกอิยทยิบาในทุกประสบการณ์ดินอากาศฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเราจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นคงทำได้ยากเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้แล้วจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละ จะมีความเย็นกายเย็นใจสบายอกสบายใจซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรักษาไตรในตัวฝึกกันไปเรื่อยๆการหยุดใจเป็นการเชื่อมบุญเก่าประพูนใหม่การหยุดใจนี่ทําเท่ากับเราไปเชื่อมบุญเก่าที่เราทําผ่านมานับพกนับชาติไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานปลางบุญใหญ่ ทุบุญในบุญทกิริยาวัตถุสิบประการหรือในบารมีสิบสามสิบทัดก็จะมาเชื่อมกันเป็นโวงบุญหนาแน่นที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารให้หมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสําเร็จรติตัวเรามากับบุญนี้จะได้ไปรื้อผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพชาตินี้ ที่จะเพื่อกูณต่อการสร้างบุรมีของเราในพวกชาติต่อไปแม้บุญ น, นี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันที่เรากําลังสร้างบุรมีอยู่ให้มาติดอยู่ที่กลางกายเราจะได้ไปดึงดูดทรัพยาบ ม, มาให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนและในทุกสิ่งทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆหนักก็เป็นเบาเบาก็เป็นหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต เพราะฉะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประครับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่ ง, งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะคลื่นทะเลมุ่งขึ้นเนินกละไหล ลูกพนูมุ่งครูไปสุดเป้าฝนจากยอดตดยไห่มุ่งสมุรนักรบกล้ามุ่งเข้ากลางให้ศิษสา